เขาได้ใช้สัตว์พานะโดยทำนองนี้ตลอดมาจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้แลเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดุมละกงเกียนหมุนอยู่ที่หน้าอกครวนครางเรียกให้บุตรและพัรยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงตนจะใช้สัตว์พานะให้มีใจสงสารปราณีมันพูดแล้วก็ครวนครางต่อไปอีก